ก็เจริญพรสาวทุกชนผู้ใฝ่างทุกท่านเราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ปีนี้เราพบกันต้นปีแต่ก่อนนี่เราพบกันตอนประมาณเดือนธันวาคมแต่ว่าธันวาคมปีที่แล้วตมาเกิดมีความผิดพลาดทางเทคนิคนะก็เลยมาไม่ได้อสองสมวันนี้อากาศ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะอย่างรู้สึกได้หนาวลงอยากฉับพลันที่นี่อาตมาว่าแค่เย็นนะที่วัาธารมชัยภูมินี่หนาวขณะเที่ยงเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยเที่ยงแล้วก็เมื่อว่นซืนเนี่ยประมาณแปดองศาหนาวแบบนี้เคยมีมาก่อนนะแต่ว่า ที่ไม่เคยปราบอก็คือว่ามีฝนเกือบตลอดทั้งวันแล้วก็ฟ้าก็ปิดเมฆคลึ้มไม่มีแดดเลยแล้วก็มีลมพัดมาแผ่วๆตลอดอากาศแบบนี้นะว่าแปลกมากนะสำหรับภูหลงที่าต่อมายอยู่เพราะว่าถ้าจะหนาวย่างไงเนี่ยนะฟ้าก็เปิดแดดก็ใส ที่นี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดความเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยมันมันเตือนใจแล้วว่าดินฟ้าอากาศเนี่ยหาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็ต่อไปความแน่นอนของดินฟ้าอากาศก็จะหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ทอดจะว่าไปแล้วเนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะดินฟ้าอากาศนะที่หาความแน่นอนไม่ได้ชีวิตคนเรามันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันจิตใจของเราก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันความไม่แน่นอนของจิตใจของอารมณ์เราเนี่ยอาจจะผันแปรรวดเร็วยิ่งกว่าดินฟ้าอากาศ และเช่นเดียวกันชีวิตของเราก็หาความแน่นอนไม่ได้ความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะในยามที่เราทุกข์เนี่ยความไม่แน่นอนบอกเราว่าความทุกข์ที่เรากเผชิญอยู่เนี่ยมันจะเลือนหายไปในที่สุด แต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความปกติสุขในความแม่นแน่นอนก็เตือนเราว่าความสุขของเราในวันนี้อาจจะแปลเป็นความทุกข์ในวันหน้าก็ได้อันนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นธรรมะ ก, ก็ดีนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ย สาระสำคัญนะของธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยก็คืออันนี้แหละคือการเข้าใจในเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตเป็นการเข้าใจที่ทำให้เรายอมรับต่อความไม่แน่นอนได้เราพวกเราคงเคยรู้จักหลวงพ่อชาสุพัทโทนะคงได้ยินชื่อนะ พระฝรังเนี่ยที่มีชื่อเสียงหลายท่านในปัจจุบันเนี่ยเช่นหลวงพ่อสุเมโหอหลวงพ่ออมรโรมหรือแม้ทั้งอาจารย์พรมวังโสที่เขียนหนังสือเรื่องชวนม่วนชื่นนะท่านก็ไปรู้สึกหลวงพ่อชามีเรื่องเล่าว่าเมื่อสักสี่สิปีที่แล้วเนี่ยท่านเดินผ่านเดินเข้าไปในเมืองแล้วก็เดินผ่านร้านร้านหนึงนะเขาก็เปิดเพลง สมัยนะั้นมันมีเพลงลูกทุ่มนะที่คนข้างมีชื่อเสียงชื่อว่าเพลงมันบอดหน้าดอกนายนะมันบอดหน้าดอกนายอาตมาตอนเด็กๆยังจำไดนะ้พูดถึงความไม่แน่นอนก็พูดแบบสนุกสนานเป็นเพลงที่แบบสนุกสนุกมันนะมันบอดแน่ดอกนายนะคนชื่อขาวแต่ตัวดําเนี่ยนะคนชื่อบุญแต่ตายเร็วอนะไรเงี่ยน้าชื่อมันจะทำเนอะเพลงเมื่อเพลงเนี่ทํานอนะนั้นแหละ ั่าฟังแล้วก็พิมพันธ์นแล้วก็บอกเอ๊ะอันนี้มันเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าเลยนะเนี่ยคำสั่งของพระพุทธเจ้าหรือว่าหัวใจวัตถศาสนาเนี่ยข้อนึงคือว่าความแม่แน่นอนหรืออ น, นิจจังถ้าเราก็ใจเรื่องความแม่แน่แ น, นอนชีวิตเนี่ยนะเราก็จะจะจะอยู่ได้อย่างมีความสุข และนอกหักนอกจากความไม่แน่นอนเนี่ยที่ถือว่าเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วเนี่ยมันมีความจริงอีกข้อหนึ่งที่ถือว่าเป็นธรรมดาของชีวิตเช่นเดียวกันนั่นก็คือความทุกข์หัวใจคําสอนของพระเจ้าเนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนทุกขังเนี่ยคือความไม่น่าพอใจหรือเรียกง่ายๆว่าทุกข์ อันนี้จังทุกขานัตตาเนี่ยก็คือความเป็นธรรมดาของชีวิตเรียกว่าไตรลักไตรลักษณ์ก็คือลักษณะสามประการนอกจากความไม่แน่นอนเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วเนี่ยความทุกข์ก็เป็นธรรมดาของชีวิตด้วยนะอันนี้ฟังดูก็อาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกเออหนักใจนะแต่ที่จริงแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยนะ มันจะทําให้เราสามารถจะเป็นสุขได้ง่ายขึ้นนะมันแปลกดีนะการที่คนเราเข้าใจเรื่องความทุกข์เนี่ยจะทําให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นบทสวดบนนะถ้าใครเข้าวัดเนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ยโดยเพาะสวดมันทำวัดเช้าเนี่ยจะมีประโยคหนึ่งนะเป็นภาษาบาลีแปลไทยว่าเราทั้งหลายคือพวกเราทุกคนเนี่ย เป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วก็ได้ก็ได้แก่ความปวดความเมื่อยนะความแก่นะเวลาเรานั่งเนี่ยนะเราไม่สามารถจะนั่งท่าเดียวหรือนั่งนิ่งๆได้เกินสามสิบนาทีบางทีสิบห้านาทีเท่านั้นแหละ เราก็ต้องขยับแล้วพ่อแรงเพราะว่ามันเมื่อยนะไม่ว่าคุณจะนั่งในท่าใดที่คุณคิดว่าสบายที่สุดเนี่ยเช่นนั่งห้อยขานั่งไขว่ขห้างเนี่ยคุณอยู่ในท่านั้นได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีได้ซ้าคุณก็ต้องขยับต้องเปลี่ยนท่าแนละ้วคุณอาจจะไม่สังเกตกุณจะไม่รู้ตัวแต่ลองสังเกตดู ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเมื่อยไอ้ความเมื่อยนี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะซึ่งมันอยู่กับเรามันตามติดเราไปตลอดนะอันนี้รู้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วรวมทั้งความแก่ด้วยนะความแก่ก็แก่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งก็เจ็บแล้วก็ป่วยนะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์เบื้องหน้าคืออะไรก็ เช่นความเจ็บความป่วยนะความชราความพัดพลาดสูญเสียนะอาจจรมาถึงเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเช่นการถูกต่อว่าด่าทอนะความล้มเหลวในการงานนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าความทุกข์แล้วมันคือสิ่งที่รอเราอยู่เบื้องหน้าถ้าไม่เจอตอนนี้เนี่ยมันก็ เราก็ต้องเจอในวันหน้าฟังดูเนี่ยก็ชวนให้หดหูนะถ้าวางใจไม่ถูกเนี่ยคลแทยๆก็อยากปรารถนาความสุขนี่ก็ปีใหม่ก็เพิ่งผ่านไปนะไม่ถึงสีอาทิตย์นะบรรยากาศของปีใหม่ก็ยังไม่ถึงกระจังหายไปแล้วนี่อีกไม่กี่วันนะก็ตรุษจีน เราปรารถนาความสุขนะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้ความทุกข์ก็เป็นส่วนของชีวิตนะอันนี้คือข่าวร้ายนะข่าวร้ายคือว่าคนเราเนี่ยนะต้องเจอความทุกข์ต้องเจอความปวดความเมื่อยความเจ็บความพัดพลาดแต่ข่าวดีก็คือว่า แม้เราจะเจ็บแม้เราจะปวดเนี่ยแต่ว่าใจไม่ทุกข์นี่ได้นะแม้เราจะพักพรากจากคนรักของรักแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้แม้ว่าเราจะเจอความล้มเหลวไม่ประสบความสาเร็จแต่ใจเราเป็นปกติเนี่ยได้ไอความทุกข์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือเหตุการณ์ภายนอก เหตุการณ์ภายนอกเนี่ยเกิดขึ้นแม้มันจะเป็นลบไม่ได้แปลว่าใจเราต้องเป็นลบด้วยแม้มันจะตกต่ำย่าแย่ก็ไม่ได้แปลว่าใจเราก็จะตกต่ำย่าแย่ตามไปด้วยมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถนะที่จะเป็นอิสระนะจากเหตุการณ์ที่มากระทบกับเราได้นั่นนี่คือข่าวดีนะต่ว่าไปแล้วเนี่ย อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยแม้มันจะแย่เนี่ยแต่ถ้าระาวาังใจถูกใจเราก็เป็นปกติได้มันอยู่ที่การวางใจของเรายกตัวอย่างง่ายๆเช่นอากาศหนาวเนี่ยนะอากาศหนาวเนี่ยถ้าถ้าใจเราเนี่ยบ่นอยู่ข้างในนะตีโพดตีพายว่าทาไมมาอากาศหนาวแบบนี้นะ เราทุกทันทีคือทุกใจแต่ถ้าเรามองเอออากาศหนาวก็ดีนะจะได้เอาเสื้อผ้าเสื้อหนาวที่ซื้อมาเนี่ยมาใส่สักทีนะซื้อมาแล้วไม่เคยได้ใช้เลยนะอากาศหนาวอันนี้ก็เอามาได้ใช้นะเราก็ไม่ทุกใจหนาวก็หนาวไปนะแต่ใจไม่ทุก และถ้าเจอแม้เจอสิ่งที่แยกก่กว่านั้นเนี่ยใจเราไม่ทุกข์ก็ได้ผู้เจ้าตรัสว่ามือที่ไม่เป็นแผลนะถูกต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมยาพิษเนี่ยนะมันเป็นอันตรายต่อชีวิตก็จริงแต่ถ้ามือเราไม่มีแผลเนี่ยถูกต้องมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมือจะเป็นต่อเมื่อมือมีอมอมอมอมแผลเนี่ยถูกต้องยาพิษ จึงจะเป็นอันตรายนะยาพิษคือปัจจัยภายนอกมือเนี่ยคือปัจจัยภายในนะเปรียบนะผู้จ่าเปรียบมือมันก็จิตใจนะถ้าใจเราไม่มีแผนนะเจอคําต่อว่าด่าทออย่างไรใจก็ไม่ทุกขนะ์เจอความสูญเสียภาพผ้ายอย่างไรใจก็ไม่ทุกข์ มีเรื่องเล่านะฮะหลวงปู่ขาวอนรารโยนเนี่ยพวกเราอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านท่านไปรู้สึกย์หลวงปู่มั่นท่านมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นแม่ชีนะชื่อแม่ชีสาแม่ชีสาเนี่ยนะเป็นแม่ชีที่คอยอุปถัมภ์พระเนร น, นะโดยเพราะการทําครัวแต่ว่าก็เป็กก็ปฏิบัติทำด้วยแล้วก็ปฏิบัติทำได้ดีจนกระทั่งนี่เรียกว่าความ ลูกปู่ขาวว่าขี้สองขี้เนี่ยของของม่ชีสาเนี่ยมันไม่มีแล้วคือขี้โกรธนะกับขี้โลภนะวันหนึ่งลูกปู่ขาวก็ให้พระสองรูปเนี่ยไปลูกศิษย์เนี่ยไปด่าแม่ชีสาดูว่าม่ชีสาเนี่ยลดความโกรธไปได้เท่าไหร่แล้วพระสองรูปนี่ก็ไปที่กุฏิม่ชีสาก็ด่าสรรหาคํารุนแรงเนี่ยสารพัมดมาด่าแม่ชีสาที่แรกก็งงนะ แต่ว่าก็ฟังนะพอโน้มมือนั่งฟังส ง, งบเลยนะพระสองลูกก็ดา่ดาด่าจนจบนะด่าจนหมดไม่รู้จะด่าอะไรแล้วก็พอหยุดดา่าแม่ชีสาก็ถามว่าท่านอาจารย์ดา่าหมดแล้วเหรอฉันฟังี่ฉันฟังแล้วทราบซึ่งเหลือเกินนะ ที่ด่าเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยนะาวหน้าขอที่หมดมาด่ายนะจะได้ช่วยขูดกิเลสนะหลายคนเนี่ยเวลาเวลาทุกข์เนี่ยก็มาโทษเนี่ยเป็นพาะเขาด่าเราเป็นเพาะเขาลินทาเรายังไม่ถูกนะ เราจะทุกข์ก็ต่อเมื่อใจเราเนี่ยไปยึดติดถือมากกับคำดา่านะหรือว่าใจเราเนี่ยเอาตัว ต, วตวนเข้าไปรับคำดา่าก็เลยทุกขนะ์อย่างแม่ชีสานี่ก็ถูกดา่าถูกด่าแรงด้วยนะแต่ทำไมไม่ทุกข์ทำไมไม่ไ ม, ไม่หงุดหงิดไม่เสียใจไม่น้อยใจว่าทำไมเราทำความดีมาครูบาอาจารย์ถึงมาด่าเรานะ หลายคนจะู้สึแบบนี้นะเวลาถูกพ่อแม่ต่อว่าไม่ถึงขั้นด่านะแค่ต่อว่าก็น้อยใจแล้วเนี่ยโอ้เราดูแลแม่เราทําดีมาทําไมพ่อแม่มาด่าเราเราคิดว่าเราทุกข์เพราะพ่อแม่ดา่าแต่ที่จริงเราทุกข์เพราะใจเราต่างหากใจเรามีแผลเหมือนมือที่มีแผลนะหมายความว่าเราวางใจไม่เป็น แต่ถ้าวางใจอย่างแม่ชีสาเนะี่ยแมศชีสามองว่าเออคําด่าเนี่ยมันดีนะมันช่วยขูดกินเลห์เวลาถูกด่าแล้วทุกเนี่ยนะอะไรทุกรู้ไหมกินเลหมันทุกกินเลหมันดิ้นพลานอัตตามันโวยวายนะมันไม่ใช่เรานะที่ทุกนะแต่มันกินเลหที่ทุกนะ กิเลสเนี่ยมันถูกขูดถูกขีดซึ่งสำหรับผู้ฝ่ายทําแล้วเนี่ยถือเป็นของดีเพราะกิเลสเนี่ยต้องกำราบนะต้องจัดการมันแม่ชีสาวเป็นผู้ที่ต้องการขูดกิเลสให้หมดไปจากใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเจอคำด่าเนี่ยท่านก็เลยมองเออมันช่วยขูดกิเลสออกไปจากใจเป็นของดีพอเราว่าคำด่าเป็นของดีเนี่ยเราไม่ทุก ที่จริงไม่ใช่เฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมนะไม่ใชไไ่ไม่ไม่ต้องเป็นพระไม่ต้องเป็นพระหรือแม่ชีก็ได้คนธรรมดาก็ทำได้ไมันถึงคารุหัาาดคารวะเนี่ยเจ้าของเมืองโบราณอดีตเจ้าของเมืองโบราณคุณเล็กวิริยพันธ์เนะี่ยเสียชีวิตไปไปหลายปีแล้วเป็นคนรวยมากนะแต่ว่าเป็นคนที่ติดดินแล้วก็สนใจธรรมะเคยเคยพูดประโยชน์หนึ่งว่า วันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอกิมงคลนะพวกเราเนี่ยนะถ้าวันไหนถูกตําหนินะโอยวันนั้นคือวันสวยใช่ไหมแต่คุณเล็กบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันมงคลนะเพราะคุณเล็กก็มองว่าคําตําหนิเป็นของดีเช่นทําให้เราเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองทำให้เราเห็นว่าคุณต้องแก้ไขอะไรหรือช่วยลดอัดตราของเรานะไอ้บางทีคําตําหนิมันผิดหมดเลยนะมันไม่ถูกเลยแต่ว่า มันก็ยังมีประโยชน์ก็คือช่วยลดอัตตาเพราะอัตตาคนเราเนี่ยมันชอบคําชมชอบคําสรรเสริญและพอโดนคําชมคํำสรรเสริญคําป้ายยองมากๆเนี่ยหรือประจบกระแจงเนี่ยมันก็จะพองแล้วมันก็จะลืมตัวอัตตาถ้ามันคล่องกําใจแล้วก็จะลืมตัวได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอคําตําหนิมากอัตตาเราก็จะฟอ่อลงฟอ่อลงนะไอ้ความหลงตัว ล, วลวืมตนก็จะลดน้อยถอยลงนะ ซึ่งเป็นของดีนะสอบคนเราถ้าเราหลงตัวหลงตนแล้วเนี่ยยิ่งเป็นผู้บริหารยิ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจเนี่ยหรือแม้แต่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะทำให้ เ, เกิดความทุกข์ได้หรือสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยากจะบอกคือว่าความทุกข์เนี่ยนะสิ่งสำคัญไม่อยู่ที่อยู่ที่ภายนอกอยู่ที่ใจเราเนะีเกิดเหตุการณ์ย่ำแย่อ ย, อย่างไร นะมีอะไรมากระทบกับทรัพย์สมบัติของเราร่างกายของเราแต่ว่าไม่ทําให้ทุกข์ใจได้ถ้าใจระวังไม่ถูกอาจารย์เชษสารโรนัท่านเป็นพระฝรังนะ่งลูกศิลป์หลวงปู่ชามนะั้นท่านบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาทําให้เราทุกข์ได้นะ ม, มีแต่สิ่งที่มาชวนให้เราโปรดมีแต่สิ่งที่มาชวนให้เราไม่พอใจ เมื่อมาชวนแล้วอยู่ที่ว่าเราจะรับคำชวนคำเชิญ น, นั้นไหมนะถ้าเราทุกข์ถ้าเราโกรธ ถ, ถ้าเราไม่พอใจเขแสดงว่าเราไปรับคำชวนของเขาเรารับคำเชิญของเขาแลวถ้าเป็นเช่นนั้นจะโทษใครนะเอาประโยคนลรังแตมาดเติมเองนะเราจะโทษใครไม่มีอะไรที่จะมายัดเยียดให้เราทุกข์ได้มีแต่แค่มาชวนมาเชิญนะ ในสายพุทธการเนี่ยนะมีพรามคนหนึ่งนะแกไม่พอใจพุทธเจ้าแล้วก็ตามเดินตามมาด่าพุทธเจ้าจนถึงวัดเชตวันพุทธเจ้าก็ไม่ตอบโต้นะแล้วก็ไม่สนุกสถานเมื่อมาถึงวัดแล้วพุทธเจ้าก็เลยสนทนากับนั่งสนทนากับพรามคนนี้ ถามว่าพราหมณ์เคยมีคนมาเยี่ยมบ้านท่าไหมพรามณ์บอกเคยข้าพเจ้าไม่ใช่คนสินไรไม่ตอบครูเจ้าถามต่อไปว่าเวลามีคนมาเอาของมาเวลามีคนมาบ้านท่านนะ่ะท่านทําอย่างไรข้าพเจ้าก็เอาน้ําเอาของว่างมาต้อนรับพรูเจ้าก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าอาคตุ ก, กะเนี่ยเขาไม่รับน้ำํำเขยไม่รับของว่างที่ท่านมามอบให้มา ทำมาให้เนี่ยของน่าจะเป็นของใครพรามก็บอกก็เป็นของข้าพเจ้าสิข้าพเจ้าเลยแต่ว่าเช่นเดียวกันเมื่อท่านด่าเราเราไม่รับคำด่าของท่านเนี่ยคําด่าน่าจะเป็นของใครพรามก็เลยอึ้งเลยนะเออใช่นะ พระเจ้าเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ทุกข์เพราะคําด่าของพราหมณ์เพราะพระรูปเจ้าเนี่ยไม่รับคําด่าของเขาหูได้ยินก็ตามแต่ใจไม่รับใจวางใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอหูได้ยินแล้วเนี่ยใจก็รับพอรับแล้วเป็นไงทุกโกรธไม่พอใจคําถามคือในเมื่อรู้ว่ารับคาด่าแล้วเนี่ยทุกแล้วไม่พอใจแล้วรับมันไปทําไม เราก็แค่ไม่รับเสร็จก็แค่วางเสร็จถ้าเราทุกข์ก็ไปว่าเรารับหลายคนเนี่ยเก็บเอาคำคำตอบว่าด่าทอของคนนั้นคนนี้เนี่ยมากรีดแทงจิตใจวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าไอคนพูดเนี่ยเขาลืมไปแล้วแต่เรายังไม่ลืมเรามัยังไม่ยอมวางเราเก็บเอามาซ้ําเติมตัวเอง เรากำลังซ้ำเติมตัวเองนะโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไปโทษเขาว่าทําให้เราทุกข์แต่ที่จริงเราต่างหากที่กำลังทําร้ายตัวเองด้วยการที่เราไม่ปล่อยไม่วางด้วยการที่เราเอาคําเขาเนี่ยมาทบทวนนะเหมือนกับว่ากรีดแทงจิตใจเราแซมล้าซ้าเล่าพระเจ้าตรัสว่าคนผ่านปัญญาสาม ย่อมทำกับตัวเองเหมือนกับเป็นศัตรูนะคนผ่านปัญญาสามย่อมทากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูศัตรูไม่อยู่ข้างนอกนะศัตรูอยู่กับเราถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสติคนผ่านปัญญาสามความหมายเบื้องต้นคือว่าคนที่ไม่มีศีลนะคนที่ไม่มีศีลเนี่ยนะไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเนะี่ย ก็คือกำลังทำร้ายตัวเองเหมือนตัวมีเป็นศัตรูแต่ถึงแม้จะมีศีลนะแต่ถ้าไม่มีสตินะก็ทำร้ายตัวเองนี่เหมือนกันนะเหมือนตัวเป็นศัตรูเช่นเนี่ยเอาคอยเก็บคอยจดจำสิ่งไม่ดีเช่นคําพูดที่ไม่ดีของคนนั้นคนนี้หรือแม้กระทั่งการกระทําผิดพลาดของเราในอดีตนะการกระทําที่ไม่ดีในอดีตเนี่ยเช่นอาจจะเคยพูดไม่ดีกับแม่ เคยทำไม่ดีกับพ่อเคยทำไม่ดีกับคนรักมันเกิดขึ้นแล้วพลาดไปแล้วบางทีขอโทษไปแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมวางก็เก็บมานะสร้างความทุกข์แก่ตัวเองอันนี้เรียกว่าทาร้ายตัวเองนี่เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองก็เปรียบได้กับว่าทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูนั้นะอยากจะย้ำนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความทุกข์เนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่ใจเราถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเหมือนกับทำรายตัวเองอันนี้อาที่จะมาบอกนะว่าคนเราเนี่ยในเรายัางไงก็ต้องเจอความทุกข์อยู่วันยังค่ำไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ก็วันหน้ามันนี้ไม่พ้น นั้นเราจะทำอย่างไรนะมันมีมันมีมันมีหลักอยู่สองข้อนะที่อยากจ ะ, อะบอกเล่าให้พวกเราฟังก็คือเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกที่เราควรทำคือหนึ่งรักษาใจไม่ให้ถูกอย่างแรกเลยคือรักษาใจไม่ให้ถูก อย่างที่สองเนี่ยหาประโยชน์จากมันหาประโยชน์จากมันให้ได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราไม่ว่ารถติดแดดร้อนน้ำท่วมแผ่นแผ่นดินไหวภัยธรรมชาตินะหรือว่าเบากว่านั้นหน่อยคือความสูญเสียของรักนะความถูกต่อว่าดาทอความ ล้มเหลวในงานการเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ภายนอกภาษาภาคเราเรียกว่าอ น, นิถารมอ น, นิถารมท่านยกตัวอย่างเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาถูกดินทาแล้วก็ความทุกขนะ์ความทุกข์เหมือนความทุกข์กายนะเช่นปวดเมื่อยหรือว่าเจ็บป่วยไอ้สิ่งนี้นี่เลยเป็นเหตุการณ์ภายนอกซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ทำอย่างไรเนี่ยเราควรจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเรารักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้อย่างไรนะอย่างแรกคือยอมรับมันยอมรับก่อนเลยเพราะถ้าเราไม่ยอมรับนะใจเราจะผลักไสใจาเราจะต่อต้านและจิตที่ผลักไสต่อต้านนี่มันทำให้ทุกข์มากเลย ค่รถติดเนี่ยแล้วคุณไม่ยอมรับมันเนี่ยบางทีมันติดแค่ร้อยี่สบวินาทีหรือสองนาทีเท่านั้นแหละแต่สังเกตไหมเวลาเราเวลาลงมุดหงิดเนี่ยลงมือเพราะอะไราลงหมือเพราะเราไม่ยอมรับมันนะทำไมรถติดนานแบบนี้เมื่อไหร่ไฟไฟมันจะเขียวสักทีนะเวลาเรารอเพื่อแล้วเพื่อไม่มาตามนัดเนี่ยนะผิดเวลาเนี่ยเรลงมือหงิดเลย ใจเราบน่นใจวอยวายการที่เราบน่นวอยวายตีโพยตีพายนั่นแหละมันแสดงว่าเราอยังไม่ยอมรับถ้าเกิดว่าเราทำใจนะเลิกบน่นเลิกวอยวายนี่นะใจเราก็จะกลับเป็นปกตินะหลายคนพอป่วยเนี่ยความรู้สึกแรกเมื่อรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรครากทํทำไมต้องเป็นชั้นนะยอมรับไม่ได้ เสียเงินโทรศัพท์หายถูกโกงเงินยอมรับไม่ได้ผ่านไปเป็นวันผ่านไปเป็นอาทิตย์ก็ยังคิดถึงเหตุการณ์นั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นตามมาพอเสียเงินเนี่ยไม่ได้เสียแต่เงินแล้วเสียใจเสียความสุข ฟังเพลงก็ไม่เพราะกินอาหารก็ไม่อร่อยใช่ไมั้ยไปเที่ยวก็ไม่สนุกเพราะยอมรับเหตุการณ์นั้นไม่ได้เพราะว่ายังปล่อยวางไม่ได้พอคิดพอคิดมากๆเนี่ยนะแทนที่จะเสียใจเดียวนะก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเสียสุขภาพ หรือถึงแม้ไม่เสียสุขภาพเนี่ยพอเสียใจไม่มีสมาธิทำงานไม่ได้เสียงานนีกและพออารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเพื่อนมาแซวเพื่อนมาหยอกมาล้อโมโหด่าเพื่อนเสียเพื่อนนี่แทนที่จะเสียแค่เงินนะมันเสียอย่างอื่นตามมาอีกมากมายเสียใจเสียงานเสียสุขภาพ เสียเพื่อนนะบางทีเสียคนอยู่นะเสียคนเพราะความลืมตัวเมื่อสักสามสี่เดือนก่อนนะมันมีคลิปวิดีโอหนึ่งผู้เราจะเคยได้เห็นนะเพราะว่าถ้ามาถึงอาตมาได้แสดงว่ามันกระจายไปทั่วโลกแล้วนะ <c oughs> เป็นภาพเขาถ่ายที่ประเทศจีนนั่นหนุ่มสาวสองคนเนี่ยกำลังทะเลาะ ก, กัน ก็จะเข้าคุ้มายที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเนี่ยมีคำอธิบายว่าผู้หญิงเนี่ยอยากให้แฟนซื้อ iPhone 6S 6Plus อะไรทุกอย่างเนี่ยนะแล้วแฟนไม่ซื้อให้ผู้หญิงก็ไม่ปลอใจนะทั้งเสียใจทั้งโกรธนะแล้วก็เมื่อลบเราไม่ได้แกก็ทำในสิ่งที่ ไม่คาดคิดก็คือเธอเริ่มถอดเสื้อเสื้อยืดแล้วก็ถอดกางเกงแล้วก็ถอดยกทรงแล้วก็ถอดกางเกงในแล้วก็ยืนอย่างนั้นนหะแล้วก็ทําทีมมันก็ว่าคล้ายๆจะเอาชนะผู้ชายซึ่งไม่รู้เป็นแฟนหรือสามีน ะ, นะจะเอาชนายได้เธอต้องซื้อฉันนะถ้าเธอไม่ซื้อฉันนี่ฉันจะทําให้เธอขายหน้าอะไรสํารอง น, นั่นนะ่ะนะ คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็างงนะผู้ชายแกก็เดินหนีนะผู้หญิงก็เดินตามสุดท้ายก็มีอาซิมคนหนึ่งเนี่ยนะนะคงเห็นใจนะหรือคงเห็นว่าไอ้นี่มันจะจะไปกันใหญ่แล้วก็เลยหยิบเสื้อผ้าให้แล้วคงจะบอกให้เธอได้สติเธอก็เลยค่อยๆสวมเสื้อผ้าคือเธอเสียใจเนี่ยที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ โทรศัพท์มือถือแล้วก็เลยโกรธนะแล้วด้วยความลืมตัวก็เลยทําสิ่งที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าทําให้ตัวเองเสียคนนะเสียภาพลักษณ์คนเราเนี่ยถ้าหาว่าถ้าฉลาดนะเวลาเสียอะไรเนี่ยควรจะเสียแค่อย่างเดียวนะเสียเงินก็เสียแต่เงินนะใจไม่เสียสุขภาพไม่เสียนะแต่เพราะเราไม่ยอมรับ นะเราวางไม่ได้เราบ่นตีโพยตีพายเราคิดจะเอาชนะนะมันก็เลยเสียโน่นเสียนี่ตามมาแต่ถ้าเรายอมรับได้เนี่ยนะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเล็กน้อยไปเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาในห้องนี้นะหลายคนจะรู้สึกหงุดหงิด เขายอมรับเสียงนี้ไม่ได้ที่ยิ่งเสียงก็เพราะนะอาจจะเป็นเสียงดิ่งโทนที่เพราะมาแต่พอเรายอมรับมันไม่ได้เนี่ยก็ทุกแล้วพอเรายอมรับมันไม่ได้ใจก็ยิ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่จนฟังคำพยาตกรมาไม่รู้รืแต่ทันทีที่เรายอมรับมันไะด้เออจะดังก็ดังไปฉันไม่สนใจมันไม่ใช่ปัญหาของฉันเป็นเป็นปัญหาของเจ้าของโทรศรรัพท์น เราจะรู้สึกเลยนะ่ความหยิบน่ยมันหายไปรถติดม่กี่นาทีก็ช่างมันนะมันเป็นธรรมดากรุงเทพนะเราก็เอาเวลาที่รอไฟเขียวเนี่ยไปคุยกับลูกในรถหรือว่า เ, อาเล่นลายหรือว่าฟังเทปฟังเพลงเทปธรรมะฟังเพลงก็ได้นะการย้อนรถเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่ช่วยทำให้เราเนี่ย ใจเราไม่ทุกได้เมื่อยอมรับแล้วเนี่ยเรารู้จักปล่อยวางนะการปล่อยวางที่จริงเมื่อยอมรับแล้วมันปล่อยวางได้ทันทนะีการไม่ยอมรับต่างหาที่มันทาให้เราเนี่ยนะยึดติดยิ่งเราไม่ชอบสิ่งใดใจก็ยิย่งยึดติดกับสิ่งนั้นใครที่คอมเมนต์เราแรงๆในเฟซบุ o กเนี่ยนะว่าเราไม่ชอบเลย แต่เราจะกลับมาอ่านแล้วอ่านอีกหรือว่าคิดถึงมันครั้งแล้วครั้งเล่ายิ่งผลักใสเนี่ยก็ยิ่งยึดติดนะถ้ามือเราเนี่ยถูกน้าําปลาปารา้าหรือกะปิเนี่ยเหม็นใช่ไหมเราก็ล้างมือล้างนิ้วพอล้างเสร็จแล้วทําไงฮะเอามาดมเราไม่ชอบกลิ่นใช่ไหมแต่เราก็ดมแล้วดมอีกนะ ยิ่งไม่ชอบยิ่งโตนะยิ่งไม่ยิ่งผักใสก็ยิ่งยุดติดนะแต่ถ้าว่าเราเนี่ยนะเราเราเรียนรู้การปล่อยวางเนี่ยนะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยใจยเราสงบได้คนเราเนี่ย ทุกเนี่ยนะก็เพราะว่าการที่เราไปแบกเอาไว้มันมีวิธีจับลิงนะลิงที่เกเรเนี่ยลิงิลิงเกเรเนี่ยพขามีวิธีการจับลิงซึ่งแพร่หลายไปทั่วโลกนะวิธีการคล้ายกันไม่ใช่ยิงมันนะตัวอย่างก็เช่นในภาคใต้นี่เขาจะเอากระบอกไม้ไผ่เนี่ย แล้วก็เจาะรูเล็กๆในรูนั้นเนี่ยก็ใส่พวกถั่วของขนมที่ลิงชอบแล้วก็อีกปลายด้านหนึ่งของไม้ไผ่นี่ยก็ผูกติดไว้กับต้นไม้ลิงเนี่ยนะมันเห็นมันได้กลิ่นว่ามีถั่วอยู่ข้างในไม้ไผ่มันก็จอมือล่วงเข้าไป เมื่อมันกรำเมื่อมันเจอถั่วมันก็จะกรมเอาไว้แต่พอมันจะดึงมือออกมามันก็ติดนะออกมาไม่ได้เพราะว่ารูเนี่ยมันเล็กเกินกว่าที่จะมันเล็กเล็กเกินกว่าอกำมัดนะเอามือเนี่ยโยงกันขึ้นไปได้แต่พอกรำกี้แล้วเนี่ยออกมาไม่ได้ริมก็พยายามดึงนะดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออก ที่จริงเนี่ยเพียงแค่มันมันคลายมือเนี่ยมันก็จะดึงมือออกมาได้แต่มันไม่ยอมคลายมันยังกำไว้มันยังยึดเอาไว้ในพรานเห็นเนี่ยหรือเจ้าของสวนเห็นเนี่ยก็จะจับมันแทนที่มันจะคลายคลายถั่วแล้วก็ถอนมือมาเพื่อที่มันจะได้ปีงขึ้นต้นไม้จะได้ไว มันก็ไม่ยอมคลายมันก็กำไว้เงนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมือข้างนื่งของมันเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ปีนต้นไม้ก็ปีนไม่ได้ไม่สะดวกมันก็ถูกเจ้าของสวนหรือว่าพรานเนี่ยจับได้จะเป็นเพราะความโลกของลิงหรือเพราะความตื่นตกใจของลิงมันจึงยอก ม, มันจึงไม่คลายนิ้วมันจึงกำเอาไว้ สุดท้านก็ตายนะนนคนเราเนี่ยบ่อยครั้งก็เป็นอย่างนั้นนะคือเราทุกเนี่ยเพราะเราไปกรรมไปแบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยบางทีทุกจนกระทั่งความดันขึ้นความดันขึ้นมากๆเนี่ยเสเลยในสมองแตกเป็นอามาพึกออมาพา บางคนกุ่มใจมากจนกระทั้งค่าตัวตายเนะพียงเพราะนะธุรกิจล้มละลายหรือเพราะผิดหวังในความรักที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าเขารู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะ ไอ้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เขาทุกข์ถึงขนาดนั้นมีนายทหารคนหนึ่งในตารวจนะเป็นตารวจที่ซื่อสัตย์วันนึ่งก็ไปหาลพูปปุชาก็ระบายความทุกข์ของตัวใหงฟังนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ทำงานซื่อตรงไม่กินนอกกินใน แต่ว่าเจ้านายไม่เป็นธรรมเจ้านายคอยกลั่นแกล้งเพื่อล่วงนานคอยแทงข้างหลังเลื่อยขาเก้าอีนะ้เพราะแกะเป็นคนเหมือนกับเป็นแกะดําำนะท่ามกลางแก่ขาวหรือพูดให้ถูกก็คือแก่ขาวท่ามกลางแกด่ดาด้วยเลยถูกคนกลั่นแกล้งทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องทั้งเพื่อล่วงงานงานก็ไม่ก้าวหน้า แกก็บน่นแกก็ระบายนานทีเดียวนะเกือบครึ่งชั่วโมงหลวงพ่อชาท่านก็ฟังท่านก็ไม่เล่แนะนําอะไรจนกระทั่งนายโตโรกคนนั้นเนี่ยระบายเสร็จนหลวงพ่อชาก็ชี้ไปที่ก้อนหินก้อนหนึ่งที่นาปฏิแล้วก็บอกว่าเห็นหินก้อนนั้นไหมเห็นครับหนักไหมหนักครับ แบบไหวไหมไม่ไหวครับเออถ้าไม่ไหวจะไปแบกมันนะแค่นี้นะนายทานในหลวงทันได้สติเลยใจสติว่าอ๋อที่เราทุกข์เพราะเราไปแบกหินปัญหามีมากมายแต่ถ้าไม่แบกมันใจก็ไม่ทุกข์ปัญหาไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะ แต่พอเราไปแบกปัญหาเนี่ยจึงทุกทุกใจในตัวเราคนนั้นเนี่ยก็เลยรู้ตระหนักเลยนะว่าเราต้องวางปัญหามีก็จริงแต่เราต้องวางมันลงคุณเคยดิ้นไครับว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ไม่ได้มีไว้กลุ้มมันนะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มกลุ่มเพราะแบกบ ผู้อย่างคือปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้แบกบนะถ้าคุณทุกว่าปัญหานะครับคุณกําลังแบกมันคุณกําลังใช้เกี่ยวข้องกันไม่ไมถูกปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มนะทำนอนเดียวกันนะอุปสรรคความล้มเหลวเนี่ยมีเอาไว้ให้เราใคร่ครวญไม่ใช่ให้คล่าครวญ คนส่วนใหญ่พอเจอทุเลาแต่คล่ำครวญแต่จริงทุกนี่เขามีไว้ให้ใครครวญ น, นะเวลาครายครวญเราไม่ต้องแบกมันเราก็วางวางมันข้างหน้าเนี่ยแล้วเราก็ดูมันนะถ้าเราแบกมันเราก็จะใคร่ครวญมันได้อย่างไรนะปัญหาเนี่ยถ้ามันมีนะวางไว้ข้างหน้าอย่าแบกมันแล้วก็ใครครวญว่าจะแก้อย่างไร ความล้มเหลวก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นของดีที่จะให้เรามาใคร่ครวญ น, นะวางมันไว้ข้างหน้าเดีย๋ยวแบ่งมันถ้าแบบแบงมาแล้วเนี่ยเราไม่มีทางจะใคร่ครวญได้เลยเรามีแต่คลั่งครวญเพามันหนักหนักหนักนะนอกจากยอมรับปล่อยวางแล้วเนี่ยมองแง่บวกด้วยนะมองแง่บวกความเจ็บป่วยเนี่ย มันมีข้อดีอย่างไรบ้างความเจ็บป่วยมีข้อดีอย่างไรบ้างมองให้ออกมองให้เห็นเออได้พักนะหลายคนเนี่ยได้พบว่าโอ้ความเจ็บป่วยมาทําให้เขาได้เห็นคุณค่าของธรรมะมีบางคนบอโชคดีที่เป็นมะเร็ เพราะมะเร็งเนี่ยมันทำให้เขาได้หันมาสนใจธรรมะแต่ก่อนไม่สนใจธรรมะเลยเอาแต่ทํางานทําการเอาแต่เที่ยวเล่นแต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยนะด้วยความกลัวตายแล้วก็รู้ว่าไอ้ยาที่มีอยู่เนี่ยมันรักษาไม่ได้ก็เลยหันมาหาทางออกด้วยการสนใจธรรมะอ่านหนังสือธรรมะปฏิบัติธรรม ะ, รรมะก็พบความสุขเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อน ก็เลยขอบคุณโรคมะเร็ง ม, มีบางท่านเนี่ยขอบคุณความพิการเพราะความพิการทำให้ได้ได้ได้มาคบธรรมะพิการทำอะไรไม่ได้รอวันตายทีแรกก็ทุกข์แต่ตอนหลังก็มีคนแนะนำให้อานุตธรรมะใช่อ่านแล้วก็สบาย แต่พอเลิอกอ่านก็ทุกใหม่ก็เลยคิดว่าอ่านไม่พอนะต้องปฏิบัติธรรมด้วยครูบาอาจารย์ก็แนะนำนะว่าให้ปฏิบัติธรรมโดยการเจริญสติพริกมือไปพริกมือมานะให้เห็นว่าที่พลิกนี่เป็นรูปไอ้ที่คิดนี่เป็นนามเวลาเราพลิกเนี่ยจเราลอยจะเราคิดโน่ยคิดนี่นะก็ให้รู้ทันมัน <c oughs> ปฏิบัติไปปฏิบัติไปพบเลยนะว่า ไอ้ที่เราพิการเนี่ยมันพิการแต่กายใจไม่ได้พิการด้วยจิตเราจะมาพิการเลยจิตเราจะความทุกเลยนะอันนี้เป็นคำของอาจารย์กําพลทองผล น, นุ่มที่พิการตั้งแต่คอลงมาเนี่ยแล้วก็บอกขอบคุณความพิการขอบคุณความทุกข์นะที่ทําให้รู้จักทุกข์และพอรู้จักทุกข์ก็ทําให้เห็นทางออกจากทุกขนะ์ คนอย่างคนอย่างคุณเล็กวิเรยพันธ์เนี่ยแกก็เป็นคนมองแง่บวกนะก็คือมองว่าไอ้คำตำหนิเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะพอเราเห็นข้อดีของมันเนี่ยเราก็ไม่ทุบเพราะมันลนะมีแม่คนหนึ่งนะแกเสียลูกเรื่องของเรื่องคือว่าวันนึงเนี่ย ลูกมาขอลูกยี่สิบห้ามาขอไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียเธอก็อนเงียบให้ลูกไปปรากฏว่าลูกไปอยู่อินเดียได้ไม่กี่เดือนก็ประสบภัยเหตุว่ายน้ําแล้วเกิดจมน้ําตายเธอเสียใจยมากและที่ยิ่งกว่าเสียใจยคือเธอรู้สึกผิดเธอโทษตัวเองว่าทำให้ลูกตายเพราะถ้าเธอแม่เงให้ลูกไปอินเดียลูกก็ไม่ตาย เธอก็ฝฟาดแต่โทษเธอเนี่ยเป็นฉันไม่น่าจะอันนี้ให้ลูกไปเลยไอ้ความเสียใจนี่มันมันไม่เท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับความรู้สึกผิดเนี่ยะเธอก็แย่มาจกนกระทั่งไม่อยากจะอยู่นะแต่เธอก็ไม่ได้คิดฆ่าตัวตายแต่มันก็เหมือนกับว่าตายทั้งเป็นอ่ะนะจกนกรทั่งวันนึงมีคนแนะนําให้เธอไปปฏิบัติธรรมเธอก็ไม่เคยสนใจปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันไม่มีทางออกแล้วก็เลยไปปฏิบัติธรรม พอไปปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ฟังธรรมะเรื่องกฎแห่งกรรมได้ฟังได้เข้าใจว่าความตายเป็นของธรรมดาคนเราบางคนก็ตายเร็วบางคนก็ตายช้าแต่ทุกคนก็ต้องตายจะตายเร็วหรือตายช้าก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองกรรมของตัวเองเธอก็เริ่มเ อ, อยอมรับความตายของลูกได้แต่เธอยังรู้สึกผิดอยู่นะแต่การปฏิบัติธรรมมันทําให้เธอได้เรียนรู้วิธีที่ จ, จัดการความสุกผิดเพราะมันผุดขึ้นมาในใจเธอก็รู้มัน เธอก็ดูมันยอมรับมันไม่ผลักไสมันแต่ก่อนเวลามีความรสุขผิดก็ไปกดข่มมันเอาไว้แต่พอจะเปลี่ยนท่าทีใหม่รู้ทันมันยอมรับมันมันก็ดับไปสักพักมันเกิดขึ้นมาใหม่เธอก็ใช้สติดูมันทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยความรู้สึกผิดก็ค่อยๆหายไปคลี่คลายไปอะไรที่เราผลักไสจะคงอยู่นะอะไรที่เราตระหนักรู้จะหายไปอันนี้ มันเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมเรื่องการเจริญสติเล ย, ลเยสุดท้ายนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือใจเธอพบความสงบเป็นความสงบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเธอเพิ่กับมีชีวิตใหม่เธอถึิ่งจพูดว่าเนี่ยขอบคุณความตายของลูกที่ทาให้แม่ได้มาพบธรรมะเธอพูดว่าความตายของลูกเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากเพราะทำให้เธอได้พบกับชีวิตใหม่ สำหรับแม่นความตายเนี่ยของรูปมันมันมีอะไรมาทดแทนได้นะแต่เธอก็พบว่ามันมีมันมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะที่พอจะเรียกว่าคุ้มค่ากันก็คือการที่ได้เธอได้พบธรรมะนนี้นก็คือประโยชน์นะประโยชน์ความสูญเสียความพักผ้านะประโยชน์ความเจ็บป่วย มีเพื่อตมาคนนึงนะแกเป็นแ ก, แกเคยทำธุรกิจระดับหมื่นล้านแต่ว่ า, าไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการเนี่ยนะวันนึงก็ให้เมียเนี่ยมาคุมกิจการนี้เกี่ยวกับโรงปูนนะแล้วเพื่อตมาเนี่ยก็มีปัญหากับเมียของเจ้าของ จนกระทั่งก็ไม่ได้คอยไว้วางใจแกบอกว่าในแต่ก่อนอย่าแกเคยสั่งจ่ายเงินเนี่ยพันล้านหมื่นล้านเนี่ยแกสั่งจ่ายได้เองเลยนะแล้ววันดีขึ้นดีแกไม่สามารถจะสั่งจ่ายเงินได้แม้แต่บาทเดียวถูกห้ามสั่งจ่ายแต่แกบอกว่าไอ้ทาใจแกไม่ทุกข์เลยนะทำใจได้ถือว่าเข้ามาฝึกเราเข้ามาฝึกขันติธรรมให้เรา เขาฝึกให้เราอดทนแกไม่รู้สึกเสียหน้าม่รู้สึกว่าเสียเสียศักดิ์ศรีเลยนะจากคนที่เซ็นเช็คสั่งจ่ายเงินเป็นล้านเป็นพันล้านเนี่ยหมื่นล้านเนี่วันนี้จ่ายแค่สักบาทเนี่ยถือว่าเขามาฝึกขันติทําให้เราและทําให้เรามีเวลาว่างไปทําอะไรที่เราชอบได้แกก็มีกิจกรรมกิจการส่วนตัวด้วยก็มีเวลาไปทํากิจการส่วนตัว ดีเหมือนกันนะเขาไม่ให้เราสั่งจ่ายเขาเขาไม่ให้เราทำงานก็ดีเหมือนกันนะตอนนั้นแกถูกไล่ออกนะแกก็โล่งอกนะแกที่เสียแกที่เสียใจแทนที่เสียใจก็โล่งอกเพราะว่าตอนที่แกเป็นบอสใหญ่เนี่ยในในโรงงานเนี่ยแกเคยสั่งไล่ออกคนเป็นพันเป็นพันคนไปแล้วช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแกก็เสียใจแต่ต้องทําเพื่อความอยู่รอดเนีแล้วแกก็เสียใจที่ต้องไล่คนออกตั้งแต่ระดับล่างๆนะระดับ รายได้เป็นวันเนี่ยจ่ายเป็นวันเนี่ยค่อยๆไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจนถึงทา้งเจา้าลุกนอที่กินเงินเดือนเป็นพันคนพอแกถูกไล่ออกนะแกบเออโล่องอกนะเพราะว่าใช้กรรมเราเคยไล่ออกคนเป็นพันนะตอนนี้เราโดนไล่มันก็จบกันไม่ทุกนะแกมองเป็นข้อดีเหมือนกันนะคือใช้กรรมนะแกเป็นคนที่เรียกว่าเจออะไรมากระทบนี่ รู้จักมองให้เป็นให้เป็นบวกหมดนะมองให้เป็นของดีการมองบวกอีกความหมายหนึ่งการมองว่าคือการมองไม่ใช่เห็นแต่ข้อข้อเสียแต่มองเห็นว่ามันมีสิ่งดีๆที่อยู่คู่กับสิ่งไม่ดีอย่างไรบ้างอันนี้ก็มีความก็เป็นความหมายในการมองแง่บวกนะมองแง่บวกความหมายอะไรคือการมองว่าในลบเนี่ยมันมีมันเป็นบวกอย่างไรบ้างนะเหมือนกับก้อยกับก้อยกับหัวเนี่ยนะ เคราะเนี่ยนะอีกด้านนึ่งของมันคือโชคสิ่งแรมไรอีกด้านหนึ่ง ก, ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณแต่มองด้านบวยอันนึงคือว่าการมอว่าท่ามกลางไอ้สิ่งแย่ๆเนี่ยหรือว่ารอบๆสิ่งแย่ๆเนี่ยมันมีสิ่งดีๆอะไรบ้างพวกเราคุรู้จักซิโก้นะเกย์สักเซนดาเมืองก่อนที่เขาจะเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยก็ เ, เป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถมากเป็นซุปเปอร์สตาร์ กัปตันทีมชาติเขานี่ทำประตูมากที่สุดนะในประวัติศาสตร์นัฟุตบอลไทยที่เป็นทางการนะตอนหลังเขาก็ไปแข่งบอลอาชีพนะที่สิงคโปร์ที่ เ, เ, เวียดนามและมีช่วงหนึ่งเขาไปเซ็นสัญญาแข่งฟุตบอลที่อังกฤษเมื่อ14ปีที่แล้วเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะเพราะว่า คนไทยเนี่ยนะอยากเห็นนักฟุตบอลไทยเนี่ยนะไปเล่นในหลีกอังกฤษและซิกโก้เนี่ยคือความฝันคนไทยซิกโก้ก็คือซิกโก้ก็มีความสุขนะมีความดีใจนะเพราะว่านั่นคือความฝันเขาเหมือนกันในชีวิตกับเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่เขาไปอังกฤษแล้วเนี่ยเพราะว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยเขาเคยไม่ได้ลงสนามเลยเขาไม่เคยได้ลงสนามเลยนะได้แต่นั่งอยู่ ลิมสนามในธนตัวสำรองเขาเครียดมากนอนไม่หลับรู้สึกหวัวเหมือนเาบกเขาเคยบอกความรู้สึกเหมือนหัวจะแตกเพราะแบกเอาความหวังคนไทยเขาเพบว่าเขาสุกว่าการไปครั้งนั้นเนี่ยมันล้มเหลวการแปลงผิดคณะล้มเหลวมากแต่หลักจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปหลายปีเนี่ย มีคนถามเขาถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขายิ้มนะแล้วเขาบอกไม่มีอะไรเลยผมเกยงแต่ผมมองไม่ออกผมมองไม่เห็นเขาบอกว่าแปลงกิขนาดมีแต่ได้กลับได้หนึ่งได้บ้านสองได้รถนะสามได้ภาษานะสี่ได้เที่ยวห้าได้ประสบการณ์ใหม่ใหม่ผมได้พัฒนาทักษะ เจ็ดนะได้ไปเห็นมุมมองใหม่ๆแล้วแปดได้สัมผัสกับหล็กที่มีสีสันที่สุดในโลกเสียอย่างเดียวคือไม่ได้เล่นไปกี่ครั้เนี่ยเขาได้ถึงแปดอย่างนะจากที่เขานับเนี่ยมันเสียแค่อย่างเดียวคือไม่ได้เล่นแต่ตอนที่ไปใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เห็นนะไอ้สิ่งที่ได้เขามองเห็นแต่สิ่งที่เขาเสีย คือไม่ได้เล่นอันนี้เรามองแง่ลบเขาไม่สามารถจะมองแง่บวกได้คือมองเห็นว่าเขาได้อะไรทั้งที่ได้มาหลายอย่างเลยเมื่อเวลาผ่านไปเขาถึงเลิกมองเห็นว่าเออเขาได้อะไรมาบ้างจริงๆเนี่ยถ้าเขาสามารถจะมองแง่บวกได้ต่้งแตตั้งแต่ตอนนั้นนะเขาจะมีความสุขถึงแม้จะไม่ได้เล่นนะ แต่เขาก็จะไม่มีความเครียดไม่มีความปวดหัวอย่างนั้นแล้วแต่มาเชื่อว่าเขาคงจะสามารถจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทําทีมนะการฝึกนักฟุตบอลได้มากมายสามารถจะมาเตรียมทีมไทยได้ดีกว่านี้เยอะที่จริงก็เตรียมได้ดีแล้วนะแต่เขาถ้าเขาไม่เอาแต่เครียดแต่ตอนนั้นนะนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์สารพัดนี่เอามามันจะมีประโยชน์ ได้มากกว่าที่เป็นอยู่อาตมาเชื่อว่าเราควรจะมองแง่บวกแบบนี้บ้างคนหลายคนเนี่ยเวลามองตัวเองเนี่ยก็มองเห็นแต่ด้านที่เป็นล่มกอเลยเชื่อตัวเองนี้ไม่มีความสามารถหรือว่าเห็นแต่ความล้มเหลวของตัวที่จริงความความดีความสามารถความสําเร็จก็มีนะแต่มองไม่เห็นไม่ใช่เพราะไม่มีนะแต่มองไม่เห็น หลายคนพว่ตัวเองนี่ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นอาตมาไม่เชื่อนะเชื่อว่าเราก็มีความสุขแต่เรามองไม่เห็นถ้าตอนนี้เนี่ยคุณยังมีตามองเห็นนะยังพูดได้หูไม่หนวกนะยังมีอวัยวะครบสามสองเดินเดินไปไหนมาไหนได้ไม่เจ็ไม่ป่วยเนี่ยคุณมีความสุขแล้วนะ ลองวันไหนคุณตาบอดคุณหูหนวกหรือว่าคุณเกิดปวดท้องขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไอ้ตอนที่คุณไม่มีเหตุการณ์นั้นมันมีความสุขแล้วถ้าคุณมีคนรักอยู่รอบข้างมีพ่อแม่ยกอยู่ที่บ้านนะให้คุณรู้ว่าน้ารักคือสุขแล้วละ่ะเพราะวันไหนที่คุณไม่มีเขาเนี่ยนะเพราะเขาจากไปคุณจะรู้เลยว่ามันทุกข์มากเรามีความสุขอยู่กับตัวอยู่แล้ว หรืมีความสุขอยู่รอบตัวอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นเพราะเรามองแต่ด้านลบเรามองเห็นแต่สิ่งที่เราไม่มีเราก็เลยทุกข์ถ้าเรามองเห็นสิ่งที่เรามีบ้างเราจะมีความสุขมากขึ้นอย่ามองเห็นแต่สิ่งที่เสียมองเห็นสิ่งที่ได้นะคุณทํางานเนี่ยถ้าคุณมองเห็นสิ่งที่คุณได้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณเสียไม่ใช่มองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีแต่มองเห็นสิ่งที่มีด้วยเนี่ยคุณจะมีความสุขได้ง่าย ในทราบเคยเล่ฟังนะเล่าให้ฟังหรือเปล่านะเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กแล้วแกก็สาสิบกว่าแล้วป่านนี้ก็สีสบแล้วมั้งก็นกวันสิ้นสุดนะเธอเกิดมาเนี่ยเป็นธาลัสซีเมียอย่างแรงธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดโรคทางพันธุ ก, กรรมหมอบอกว่าเธออยู่ได้ไม่เกินยี่สิบแต่เธอก็อยู่ได้จนสามสิบสี่สิบแล้วป่านนี้ ร่างกายเธอแครกแกนตาโปนนะต้องอต้องรับเลือดเป็นประจำทุกอาทิตย์เวลาล้มเนี่ยกระดูกหักแขนหักได้ง่ายมากเธอใส่เฟื่อมาเกือบยี่สิบครั้งแล้วแต่เธอเป็นคนที่มีความสุขมีคนถามว่าเธอสุดได้อย่างไรนะแต่ตาเยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ร่างกาย ก, ายก็ป่วยเจ็บ อ, อ่อดแอเธอบอกว่าเนี่ย คือแม้เลือดฉันจะแย่แต่ก็ยังมีตามองเห็นสิ่งสวยงามยังมีจมูกดมกลิ่นหอมยังมีหูฟังเสียงเพราะกินอาหารก็อร่อยไปไหนมาไหนก็ได้แค่นี้ก็มีความสุขลวความสุขเป็นเรื่องง่ายความสุขเป็นเรื่องง่ายนะแต่เราทำให้ความสุขเป็นเรื่องยากเพราะเราเพราะว่าเราไม่รู้จักมองในสิ่งที่เรามีนะเธอแค่เนี่ยเธอแค่มองมองเ อ, อฉันมีตามองเห็น นะฉันฉันมีหูที่ยังได้ยินไม่ไม่หนวกนะฉันยังมีร่างกายเดินไปไหนมา ไ, ไหนได้ก็มีความสุขแล้วนี่คือการมองแง่บวกเวลาเจ็บป่วยเนะีย่ยจะมองแต่เห็นแต่ความเจ็บป่วยเราแค่เจ็บป่วยหนึ่งส่วนแต่ว่าเรามีความปกติสุขอยู่เก้าสิบเก้าส่วนแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะมีความสุขได้ อันนี้พูดรรอๆคือวิธีการรนะักษาใจไม่ทุกนะแต่ว่านอกจากรักษาใยไม่ทุกแล้วเนี่ยประการที่สองคือว่าหาประโยชน์จากมันด้วยหาประโยชน์จากมันความทุกมีประโยชน์นะเมื่อสักปีสองปีที่แล้วนี่มีคุณลุงคนหนึ่งนะชื่อคุณจอโรเจอร์ชางกฤิศนะแกเดินเล่นอยู่ที่หน้าบ้าน เดินกำลังสบายๆตอนชา้าอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงเนี่ยอายุทั้3สามสิบวิ่งมาชนแกข้างหลังจนลมทีแรกกันว่าเพื่อนร้อนเล่นแต่ปรากฏแกไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเลยที่แยกกนั้นคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเอามีดเนี่ยจ้วงแทงแกลำตัวแขนขาสามสิบกรแผลแล้วก็ทิ้งแกให้นอนจมกองเลือดแต่โชคดีนะที่มี คนเห็นก็เลยพาส่งโรงพยาบาลได้ทันแกรอดตายไม่กี่วันต่อมา ต, มาตำรวจก็จับผู้หญิงคนนั้นได้ก็ได้พบว่าเนี่ยเธอในช่วงสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยเธอฆ่าคนไปแล้วสามคนแล้วก็บาดเจ็บสาหัส3ามคนหนึ่งในนั้นก็คื อ, อลุงลอเจอร์เนี่ยนะอายุหกสิบแกไม่ได้รู้แกไม่ได้โกรธเคืองกับผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บเลยนะแต่แกคงจะ มีปัญหาทางจิตผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์แกว่าถามว่าแกอยากตอนนี้ตํารวจจับได้แล้วนะแกอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรกับผู้หญิงคนนั้นไหมจอนก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าก็อยากจะถามว่าอยากจะถามเธอว่าทํากับคนนี้ทําไมที่แกงงนะว่าเกิดอะไรคือแกไม่มีสีหน้าความโกรธนะไม่มีความรู้สึกว่า กลายเกลียชะตากรรมหรือรู้สึกว่าซวยทำไมถึงเจอแบบนี้เพียงแค่อยากจะถามว่าทําไมถึงทำกับฉันอย่างนี้แนักข่าวถามตลอดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบ้างไหมแกบอกว่ามันทําให้ผมได้คิดว่าวันหนึ่งผมเดินอยู่หน้าบ้านอาจจะมีรถเมย์วิ่งมาทับผมตายก็ได้อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ทำสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้คือจอร์รจอร์เจมันี่แกเป็นแกไม่ใช่พูดนะแต่แกแกเป็ น, ป น, ป น, ปนตัวอย่างคนที่ทชีเลยนะว่าเมื่อเวลาเจอเคราะ์แล้วเนี่ยนะหรือเจอทุกเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำคือรักษาใจไม่ให้ทุกก็คือว่าไม่โกรธไม่เกลี้ยวไม่พยาบาม เพราถ้าเราโกรธถ้าเราพยาบาทคนที่ทําร้ายเราเราก็ยิ่งทุกใจเข้าไปใหญ่หรือถ้าเรากลนด่าชะตากรรมทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นเราก็ยิ่งทุกข์นะแต่แกไม่มีความรู้แบบนั้นเลยเนี่ยเหมือนกับว่าแกรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้คือมันเจ็บแต่กายแต่ใจก็ไม่เจ็บประการที่สองแกรู้อยกหาประโยชน์จากความทุกข์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะคิดแต่ว่าเออส่วนเหลือเกินนะเนี่ยอยู่ดีมันถูกคนจิ้มถูกคนแทงมาสามสิบแผลแกก็มองเออมันช่วยสอนให้เรารู้ว่า อะไรแล้วกเกิดขึ้นได้นะคือมันสอนให้เราเห็นความไม่แน่นอนองชีวิตจะ ต, ต า, ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำดีที่สุดแต่วันนี้ก็คือสอนเรื่องความไม่ประมาทถือว่าได้ประโยชน์นะบางคนเนี่ยนะเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนอกจากเจ็บตัวแล้วเจ็บใจแล้วเนี่ยหรือทุกใจแล้วเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย คนเราเนี่ยเมื่อจะทุกข์ทั้งทีเนี่ยอย่าทุกข์เปลาเปล่ า, เ, ลาเมื่อจะเจ็บทั้งทีอย่าเจ็บปลาเปล่ า, ลาต้องหาประโยชน์จากความทุกข์หาประโยชน์จากความเจ็บป่วยด้วยนะความทุกข์นี่มีประโยชน์นะฮะอาจามาที่พูดไปแล้วเรื่องว่าความเจ็บป่วยมันสอนอะไรเราบ้างในศาสนาพุธ ก, การนี่มีตัวอย่างคนยิ่งใหญ่เลยนะที่บรรลุธรรมได้เพราะเจอความทุกข์เจอความพัดพลาด อย่างนางกีสาโคตมีเสียลูกอายุสองขวบนางปัตจราเสียลูกสองคนเสียผัวหนึ่งคนเสียพ่อเสียแม่แล้วก็ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่ควรจะเป็นมรดกของเธอก็สูญหายไปกับไฟพ่อมันเกิดพายุนะเธอเป็นบ้าเกิดจะเป็นบ้าแต่ว่าพอได้พระพุทธเจ้าและพรพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนเธอให้ให้ให้ตรนักให้เห็นว่า ชีวิตนี่มันเต็มไปได้ทุกข์พระเจ้ตรัสว่าเนี่ยอน้ําน้ําน้ําตาที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจเพราะความพัดพลาดเนี่ยในชาติแล้วชาติเหล่าเนี่ยมันรวมกันเนี่ยมันเท่ากับน้ําในมหาสมุทรเลยพอพระเจ้าตรัสอย่างนี้เนี่ยนางปตจราแกก็เห็นเลยนะว่าสังขารเป็นทุกข์มากมันไม่น่ายึดถือเลยเธอก็เป็น ก็เกิดปัญญาบรลุทธำเป็นพระโสดาบันนางกิสาก็ตมีเสียลูกอุ้มศพลูกไปให้ใครต่อใครชุบชีวิตทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วเธอก็ไม่ยอมเชื่อเธอไม่ยอมรับถึงเชื่อว่าลู ก, กิดของเธอจะฟื้นได้สุดท้ายก็มีคนแนะนำให้ไปหาผู้ที่เจ้าผู้เจ้าเห็นนางกิสากรตมีก็รู้ว่าสอนธรรมะไม่ได้ก็ต้อง อ, อุบ า, บายบอกว่า พระองค์จะช่วยเธอได้เธอเธอไปหาไม่ปผักกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายเธอก็ดีใจเข้าไปในเมืองไปถามไม่ประกาดทุกบ้านก็มีไม็ดผักกาศแต่พอถามมีมีคนตายไหมก็ได้คำตอบมีคนตายนะเสียพ่อบ้างเสียแม่บ้างเสียตาเสียยายเสียลูกเสียคนรักบ้างเทรน้อยเทรน้อยเธก็พบว่าความตายเป็นของธรรมดาเธอยอมรับความเธอก็เลยยอมรับความตายของลูกได้ พ อ, อยาแล้วความตายบรรลุญาเธอก็หายเศร้าโศกเมื่อเอาลูกไปเผาเธอก็ไปเฝ้าุาู้เจ้าขณะที่ผู้เจ้าแสดงธรรมแค่สองประโยคเธอบรรลุธรรมเลยนะบอกว่าเนี่ยความตายย่อมพัดพาผู้ที่ลงไหลายในลูกในทรัพย์สมบัติเช่นเดียวกับน้ําป่าที่พัดพาผู้ที่หลับหลายไปฉะนนั้นบรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบันต่อหลังก็บวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์คือถ้าไม่ไม่สูญเสียลูกนะ ก็ไม่บรรลุธรรมหรือถ้าไม่สูญเสียคนรักอย่างปัจจราก็ไม่มีทางบรรลุธรรมพระอรหันต์จัจจาาต้นหลังก็ได้บรรลุธรรมในพระอรหันต์นะความสูญเสียมีประโยชน์นะหรือเมื่อป่วยจนใกล้จะตายสตีฟจอรเนี่ยพวกเราคงรู้จักดีนะสตีจอเนี่ยเขป่วยไปโรมเมร็ตับอ่ตอนที่เขาไปปรกาตามาสตันร ม, Stanford, ม ป, ปีี่เนี่ยซึ่งเป็นประกาาที่มีชื่อเขามา ก็พูด <mister> ถ <tumors> ึงความตายก็บอกว่าความตายเนี่ยมันทําให้เราคิดอะไรชัดเจนขึ้นมันทำให้เราคิดอะไรชัดเจนเกี่ยวเรื่องชีวิตก็คือจากระดับความสําคัญชีวิตได้เขบอกว่าการเลึาถึงความตายเนี่ยนะมันเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เขาเคยมีการระลึกถึงว่าฉันกำลังจะตายเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญที่สุดอย่างที่ เขามีอยู่เพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญได้เขาบอกว่าเมื่อรวยเขาบอกว่าไอาคา้ความความเทอ่ยงเทยนะความคาดหวังจากผู้คนความกลัวล้มเหลวหรือกลัวหน้าแตกเนี่ย ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจมาลายหายไปเมื่อนึกถึงความตายสิ่งที่เขพูดมาคือความเทวทิยานความคาดหวังผู้คนเนี่ยความกลัวหน้าแตกกลัวล้มเหลือเนี่ยพวกนี้เป็นมันเป็นตัวสร้างความทุกับผู้คนนะแต่มันมันกลายเป็นเรื่องจิจ๊บจอยหรือกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยนะเมื่อนึกถึงความตายอย่างจิ๊บจอยเขาพูดว่าเนี่ยไอ้ความตายนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะมันเป็นเครื่องมือที่ดีสุดอย่างหนึ่งนะ ที่เขามีถึงถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอเจออะไรก็ตามเนี่ยนะที่ไม่น่าพอใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักพลาดพลาดจากสิ่งที่รักย่มัวแต่กลุ่มอกกลุ้มใจนะรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์เป็นประการแรก แล้วประการต่อมาคือหาประโยชน์จากมันให้ได้ของทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นแม้ว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดความล้มเหลวก็มีประโยชน์เพราะมันทำให้เรารู้ว่าเราผิดพลาดที่ตรงไหนเรยต้องแก้ไขอย่างไร แล้วมันมีประโยชน์ทางจิตใจด้วยก็คือทำให้เราเนี่ยกลัวความล้มเหลวน้อยลงความล้มเหลวเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความกลัวล้มเหลวนะเช่นเดียวกับความตายความตายไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายมีนักวาศาตรคนหนึ่งซึ่งมีชื่อมากนะแกชื่ออัลเบอรอัลเบอรี แ ก, เ ป, นนแกเป็นคนพบว่าแกเป็คนพบว่าหวัดใหญ่เนี่ยหรือหวัดมันเกิดจากไวรัสไม่ใช่แบคทีรียต่างกันมากนะลองแบคที ria กับไวรัสไวรัสมันเล็กกว่าแบคทีรียเยอะจกใช้เวลาสิกว่าปีกว่าจะพบว่าหวัดเนี่ยเกิดจากไวรัสแล้วแกผิดพลาดมานับไม่ถ้วนเพราะแกตั้งสมมุติฐานผิดว่าหวัดเกิดจากแบคทีรียหรือว่าเป็นมีเชื้อชนิดเดียวกับพวก พวกนิวมอนีเพวกปอดบวมแกคิดว่าวัดกับปอดบวมเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันที่จริงไม่ใช่เลยนะปอดบวมเนี่ยเกิดจากแบคที ria แต่วรัสเนี่ยเกิดแต่ว่าวัดเกิดจากไวรัสแกบอกว่าเนี่ยอะไรทำให้แกเนี่ยสามารถที่จะทำงานมาได้นานทั้งที่ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่านะจนพวกความสำเร็จในที่สุดแกมีคติอันหนึ่งที่บอกว่า เมื่อล้มแล้วเนี่ยก่อนที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยให้หยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างคนบางคนล้มแล้วไม่ยอมลุกถามว่าทำไมไม่ลุกเพราะว่าลุกแล้วเดี๋ยวก็ล้มอีกจะลุกไปทำไมมีบางคนนะไม่ยอมลุกนะแต่บางคนคนบางคนล้มแล้วก็ลุกแต่ลุกแล้วเนี่ยไม่ได้หยิบอะไรขึ้นมาเลยแต่อเวรี่เนี่ยทุกครั้งที่แกล้มเนี่ยแกจะบอกแกต้องหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่าง หิบอะไรขึ้นมาสักอย่างนี่ก็หมายถึงว่าความรู้อย่างน้อยก็รู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทําอะไรที่ผิดพลาดนี่พวกเราที่ทํางานวิจัยเนี่ยทำงานเรื่องการศึกษาความรู้เนี่ยจะต้องถือหลักอันนี้มากคือว่าอย่ากลัวล้มนะแล้วเมื่อล้มแล้วต้องลุกและก่อนจะลุกขึ้นมาเนี่ยหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างและสิ่งที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์มันไม่ใช่แค่ความรู้แต่ไม่เป็นความ ความไม่กลัวความล้มเหลวความกล้าเสี่ยงนะมีอาตมาเพิ่งได้ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของหมอคนหนึ่งนะแกมีลูกซึ่งกําลังสอบเข้ามาาหาวิทยาลัยแกลูกแกเก่งมากเนะียเก่งเหมือนแกแต่ลูกแกคงยังมีนิสัยอะไรบางอย่างในะที่ทําให้แกให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้ลูกเนี่ยสอบเข้าไม่ได้บ้างหรืออยากให้ลูกสอบตกบ้าง เพราะว่าลูกจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากความล้มเหลวเพราะลูกแกไม่เคยพบความล้มเหลวเลยแกอยากให้ลูกเนี่ยได้เจอความล้มเหลวบ้างเพราะความล้มเหลวจะสอนแกเช่นสอนให้เข้มแข็งมันมีคนหนึ่งนะที่ประสบความสำเร็จมาตลอดเลยเรียนก็เรียนเก่งตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงมาาหาวิทยาลัยเวลาแกจบนะ แล้วแกไปทำธุรกิจเนี่ยแกจะพยายามเลือกทำธุรกิจที่ชัวที่สุดเพราะอะไรเพราะแกกลัวล้มเหลวทำไมแกกลัวล้มเหลวเพราะแกไม่เคยล้มเหลวแกเลือกทำธุรกิจที่ชัวที่สุดที่จะที่จะกำได้กาไรดีแม้จะเป็นสิ่งที่แกไม่ชอบ และสุดท้ายวันดีคืนดีแกก็อธุรกิจที่แกทําก็ล้มเหลวแกเสียใจมากเลยนะแต่แกก็พบว่าเฮ้ยล้มเหลวนี่มันก็โลกก็ฟ้าก็ไม่ถ ล, ล่มโลกก็ไม่ถลายนี่ทีแรกคิดว่าถ้าล้มเหลวเนี่โหมันจะแย่แน่เลยจะกลายเป็นหมานะแต่แกล้มเหลวก็ไม่มีใครสนใจแกนะเพราะว่าในธุรกิจเนี่ยล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาแกแกรู้สึก แกคือแค่มันเหมือนกับฟ้าถล่มโลกทลายแบบมันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นประสบการณ์ท่านทำให้แกรู้ว่าความล้มเหลวไม่ได้เลวร้ายอย่างที่แกคิดแล้วมันทําให้แกไม่กลัวความล้มเหลวต่อไปคราวนี้เวลาแกทําธุรกิจเนี่ยแกกล้าเสี่ยงนะ้แล้วพอแกกล้าเสี่ยงแกสนุกนะสนุกละนะ อันนี้ประโยชน์ความล้มเหลวอย่างหนึ่งนะซึ่งหลายคนอนจาจจะนึกไม่ถึงนะความล้มเหลวทำให้เรามีภูมิคุ้มกันความล้มเหลวก็คือไม่กลัวความล้มเหลวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาประโยชน์จากมันให้ได้นะไอ้สิ่งร้าๆที่เกิดขึ้นความสูญเสียวความพัดพราา เงินหายของหายหาประโยชนจากมันดูสิมันสอนอะไรเราคนที่สูญเสียนทรัพย์สมบัติในเหตุการณ์น้ำท่วมปี50 54เนี่ยหลายคนมีความทุกข์มากแต่มีคนหนึ่งไม่ทุกข์เลยแกก็เสียเยอะเหมือนกันนะแต่ก็บอกว่าเหตุการณ์ท่านนี้นได้มาสอนให้เธอรู้ว่า ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวมาแล้วก็ไปถ้าไม่โดนน้ำท่วมก็อาจจะโดนไฟไหม้หรือมีคนขโมยไปอัตมาว่าเนี่ยเธอเสียของแต่ได้ธรรมะนะต้องเรียกว่าได้กำไรเพราะเสียของเนี่ยหาเงินซื้อใหม่ไนดะ้แต่ไอ้ปัญญาเนี่ยหา มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยทุกน้อยลงทุกยากขึ้นเวลาสูญเสียพคกๆใจเรา ก, ก็ไม่ทุกข์นั้นเราเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับเราเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะพยายามคล่พยายา ม, ยายาม ค, คลครวญมันให้มากขึ้นอ ย, อ, ย อ, ยอย่าคลอย่าอย่าาคลรวน ใครครวญว่ามันกําลังบอกอะไรเรามันกําลังสอนอะไรเราพยายามมองให้เห็นแง่บวกของมันแต่ก่อนที่จะมองมองเห็นประโยชน์ของมันได้เนี่ยนะเลยต้องเริ่มจากการที่ทําให้ใจเราไม่ทุกข์ก่อนพอใจเราไม่ทุกข์เราก็จะมีสติ พอมีสติแล้วปัญญาก็จะเกิดและวิธีนี้แหละที่จะทำให้ความทุกเนี่ยมันมาแล้วก็จะผ่านไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือพบความสุขทุกมาแล้วก็ผ่านไป แล้วมีความสุขให้เราประสบสัมผัสได้ถ้าเราวางใจเป็นแต่ถ้าเราวางจะไม่เป็นความทุกข์มันก็จะอยู่ติดใจเราตลอดเวลาเหตุการณ์ผ่านไปเป็นหนึ่งปีสองปีส0บปีแต่มันก็ยังค้างเติ่ในใจเราเพราะเรายอมรับไม่ได้เพราะเราปล่อยวางไม่เป็นแล้วความสุขที่และความสุขที่ผ่านเข้ามาก็จะเดินผ่านไปเพราะว่าใจเราไม่ว่างพอที่จะ สัมผัสรับรู้ความสุขที่มาความสุขมันมาหาเราตลอดเวลานะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าแล้วก็โชคเนี่ยโชคนี่มาหาเราตลอดเวลาเลยอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าหลายคนีะบอกว่าตัวเองนี่มีแต่เคราะมีแต่เคราะห์ที่จริงเนี่ยโชคก็มีโชคก็มาแต่มองไม่เห็น และที่มองไม่เห็นเพราะว่าไม่รู้จักใครครวนมีมีนักธุรกิกคนหนึ่งนะแกเล่าว่าตอนที่แกเป็นตอนแกเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากอายุสิบห้าก็ต้องลาวกจาบบ้านเอาเราจะโรงเรียนเนี่ยไปช่วยงานบ้านต้องไปค้าขายขายหนังสือพิมพ์ขายลอตเตอรี่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ไปค้าขายไกลบ้านนะ ยืมรถกระบะของพ่อเนี่ยเป็นพ่อค้าเร่ไปขายเสื้อผ้าตามที่ต่างๆก็ไม่ประสบความสำเร็จจกนกระทั่งอายุประมาณยี่สิบห้าชีวิตเนี่ยก็การค้านี่มันไม่ไม่รุ่งเลยนะมันมีแต่ทรงๆวันหนึ่งเนี่ยไปที่พิสุนุโลไปพิสุนุโล ก, ก็ต้องไปกราบพระพุทธเจ้านร่าก็ไปขอพรท่าน ขอให้ได้มีโชคก็ได้ประสบความสําเร็จในงานการเสร็จแล้วก็พอออกมานอกวัดก็มานั่งพักระหว่าที่ระหว่างที่นั่งพักอยู่ก็เห็นรถซาเล้งเดินผ่านมารถซาเล้งผ่านมาแล้วก็มาพักที่ถาวรนั้นก็เลยไปคุยกับรเจ้าของรถซาเล้งก็พบว่าเออขยะนี่มันขายได้นะแล้วไ ด, ได้ได้ราคาดีด้วย เราก็ถามรายเหลือไปเก็บขยะจากไหนแล้วไปขายที่ไหนแล้ววันนั้นเองที่แกได้ความคิดมาว่าทำไมเราไม่ขายขยะทําทไมเราไม่ขายของเก่าแล้วตั้งแต่นั้นชีวิตแกเปลี่ยนเลยนะแกหันมาเอารถกระบะนี้มาเก็บเก็บของเก่าเก็บของเก่าขายไปรวบรวมจากบ้านต่างๆจากในหมู่บ้านเอาไปขายและ ฐนะแกก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนกรทั่งแกก็มีออกแกก็มีทําโรงงานและตอนนั้นก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศตอนนี้แกมีโรงงานรีไซเคิลที่ใหญ่สุดในประเทศแล้วก็ทันสมัยสุดในเอเชียนะพวกเราคงรู้จักร้านสมวงพา น, นิษนะวงพา น, นิษนี่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรีไซเคิลคุณสมไทยเนี่ยคุณสมไทยเนี่ยคือคนคนนี้แหละ แกเจอโชคเมื่อแกได้พบรถสาเล้งนะรถสาเลงซึ่งเลหรือเลืขนขยะซึ่งหลายคนไม่สนใจนะแต่คุณสมชายเนี่ยแกเห็นแล้วเนี่ยแกพบว่าแกพบว่ามันให้เดียแกได้เยอะเลยที่แกไปขอพรอจากพระพุทธชินราชมาขอให้ได้เจอโชคเนี่ยแล้วแกได้เจอจริงนะออกมาจากวัดก็เจอเลยแหลายคนมองว่านั่นไม่ใช่โชคนะแต่นี่แหละคือโชคที่ ผ่านเข้ามาในชีวิตและคนเราเนี่ยเจอโช์แบบนี้หลายครั้งอยู่ที่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าบางทีโชคก็มาในรูปลักงที่เราที่เราไม่คาดคิดเนเมื่อสัก40ปีน่ปีเนี่ยพอดีเลยปีนี้มีมีชายหนุ่มคนหนึงที่แคลิฟอร์เนียอายุยี่ คราวเนี่ยหนวดคราวเต็มเลยนะแต่งตัวซกมกถือแผงวงจรเอาไปให้เจ้านายเจ้านายนี่ก็คือผู้บริหารบริษัทฮิวเล็แพ็กกาดฮิล็ตแพกการนะ HP เนี่ยเอาไปเสนอให้เจ้านายเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันเป็นวงจรคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเจ้านายเห็นก็เฉยเฉย บอกว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยมันก็คงเหมาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้นแหละทําตลาดใหญ่ไม่ได้เหมาะกับพวกที่ชอบเล่นพวกไปพวกพวกเนิร์ด่ะนะแกก็เลยไม่สนใจเจ้านายไม่สนใจเจ้านายในบริษัทเจ้านายและผู้บริหารในบริษัททีเล็ตแพกการ์ไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยก็เลยผิดหวังนะและทางออกที่เขาเหลืออยู่ก็คือไปทำบริสัทตัวเอง หนุ่มคนนั่นก็คือสตีเฟนวอสเนียบริษัทที่เขาพูดคือบริษัทแอปเปิลไปทำกับผู้หหงเขาคือสตีฟจ็อบแล้วแอปเปิลก็อย่างว่านะมันก็พัฒนาไปเรืงมันใหญ่ทับคือและแพ็กการ์ดคอมพิวเตอร์ที่เขาแหลงแผลวงจรที่เขาไปเสนอเนี่ยก็คือต้นแบบของ Apple II, อิล2แ p ปเ2นะซึ่งมันมันปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ ก็สมัยก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องเป็นคอมพิวเตอร์ห้องใหญ่ใหญ่เทเลเมนเฟรมนะต้องใช้พันช์การ์ดกระดาษเจาะรูและไม่มีจอคอมพิวเตอรไไ์ไม่มีไม่มีไม่มีคีย์บอร์ดแต่สิ่งที่วอชเนี่ยเสนอเนี่ยคอมพิวเตอร์เล็กๆที่มีคีย์บอร์ดมีจอนะแล้วก็ไม่ต้องใช้พันช์การ์ดนะให้เจ้านายฮิเลแพคการ์ดเนี่ยเจอโชคแล้วนะมองไม่เห็นนะวันเนี่ยคือเนี่ยคือโชคนะถ้าฮเลแพคการ์ดเนี่ย รับมานะป่านนี้คงจะรวยไม่รู้เรื่องไปแล้วรับทิ้งและแอปเลก็คงจะไม่มีในโลกเนี่ยบางทีโชคมาหานะแต่มองไม่เห็นนะอันนี้คือคือตำแหน่ง a อ p l e ว่ามันมาได้อย่างไรอั่นตมาคิดว่าเนี่ยเราลองพิจารณาเรื่องแบบนี้ดูนะอะ่แล้วก็พอสมควรเวลาแล้วก็คงยุติแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีคำถามขอเชิญนี